ถ้าว่าจะเทียบแล้วก็เหมือนกับแปลนบ้านแปลนเรือนนี่การผูกสร้างที่จะทำให้มีความแน่นหนามั่นคงและสวยงามในมาตรฐานต้องอาศัยแปลนเป็นสำคัญไม่จะทำเอาแบบสุ่ม 4, สี่ซุมห้าเหมือนอย่างสร้างรุปตีวั า, าตับรรจุเพราะอันนี้มันเป็นอีแบบหนึ่ง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 ความเป็นอยู่ของคนหมุงมากเพราะมนุษย์เราอยู่ลำพังคนเดียวไม่ได้อยู่ที่ไหนก็ต้องมีหมู่มีพวกนี้เพื่อนเป็นธรรมดาตั้งเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นตำบลหมู่บ้านอาเภอจังหวัดจะอยู่โดดเดี่ยวโดวยลำพังไม่ได้เพราะมนุษย์เราเปนขี้กระับเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วถ้าหากไม่มีกฎหมายบ้านเมืองไม่มีสิ่งทมเป็นเครื่องปกครอง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 อะไรเป็นความกระทบกระเทือนแม่กระทบกระเทือนนี่เราหมายถึงส่วนรวมคือหมายถึงทั่วๆไปต้องมีคนหมายบ้านเมืองและสีลธรรมเข้าเป็นเครื่องปกครองไม่เช่นนั้นโลกก็ร้อนศาสนาจึงเป็นความจำเป็นที่หมู่มนุษย์ต้องนับถือกัน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 การอัลึกถึงพระพุทธเจ้าหรือลึกถึงศาสนากับการอันลึกถึงตนก็มีส่วนเท่าๆกันเมื่อลึกถึงศาสนาศาสนาท่านสอนว่าอย่างไรก็สอนลงมาที่เราก็เป็นเนตให้รู้สึกตัวเราว่าอันใดถูกอันใดผิดเราก็ได้ไปพิสูจนปฏิบัติตามนั้นเนื้อศาสนามีหลายชั้น ตามพื้นเพของจิตใจผู้ปฏิบัติมีสูงมีต่ำและมีสูงสุดตามแต่ความสามารถของผู้จะผู้ปฏิบัติจะได้มากน้อยเพียงไหนอย่างน้อยเรามีศีลห้าเราก็ยังดีมีความร่มเย็นเป็นสุขจากนั้นผมมีการเจริญเมตตาภาวนาการทำบุญให้ทาน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 คือเราไม่เห็นความสำคัญของสิ่งต่างๆและของตัวเองนั่ น, น, นแหละถึงได้เห็นว่าศาสนาไม่เป็นของสำคัญแต่เรายังเห็นว่าเราเป็นมีความสำคัญเห็นคนอื่นมีความสาคัญเช่นเดียวกับเราแล้วศาสนาก็เป็นความสำคัญพอสอนให้คนเห็นความจริงความสำคัญด้วยกันทั้งนั้นการเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาะ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 สิ่งบำรุงไม่มีเลยขอแสดงว่าขาดหลักอันสาคัญไม่น้อยเพราะฉะนั้นการนิยมกันทางด้านวัตถุจนลืมทางด้านนมามธรรมคือศาสนาคือศาสนา ท, ทาง จ, จิตใจยึ่งเป็นความเดือดร้อนเพราะไม่สม่ําเสมอด้านวัตถุก็ทําเพราะกายของเราก็เป็นวัตถุต้องอาศัยวัตถุเข้ามาเยียวยารักษา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 ร้อนทั้งๆที่มีความรู้ความฉลาดร้อนทั้งๆที่มีสมบัติมากร้อนทั้งๆที่อะไรแล้วก็ไม่โออยากขาดแคลนทางด้านวัตถุแต่ความร้อนท้องใจจะร้อนอยู่ไม่ลดละเพราะขาดอาหารภายัยใจขาดเครื่องบำรุงภายในใจใครจะมีความเฉลียวฉลาดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าในโลกทั้งสามนี่ปรากฏว่าไม่มีเลยพระพุทธเจ้าทรงทราบ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 อดีตที่ผ่านมาแล้วก็ได้แกความเกิดแก่เจ็บตายมาในพบนั้นๆจนมาถึงปัจจุบันในฐานะที่เป็นอยู่เวลานี้ความสุขความทุกข์กท็กทราบกันอยู่ตามเหตุปัจจัยที่มันหมุนอยู่เสมอให้เกิดสุขบ้างทุกบ้างดัทงที่เราทราบกันอยู่เวลานี้ละอนาคตที่จะเป็นไปข้างหน้ามีอะไรเป็นหลักของจิตใจที่จะสือส่อพสืบชาติไปด้วยไปได้ด้วยดีมันมีความทุกข์ร้อน พระพุทธเจ้าก็ทรงทราบและทรงสั่งสอนให้บำเพ็ญสาระอันสําคัญคือคุงามผลดีไวส้สําหรับใจใจจะได้มีความร่มเย็นเป็นสุขจะเกิดในภพใดาชาติใดก็เป็นสุขคติสุขคติสุขโตแม้ว่าจะเป็นศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดที่ทรงสั่งสอนไว้ในโลกในยุคนั้นๆ ทรงสั่งสอนเป็นแบบเดียวกันในโอวาสปาติโมกท่านสอน่าเยาะๆยะว่าสัพปปาภัษอการนั่งการไม่ทำชั่วอันจะให้เกิดความเสียหายทั้งปวงหนึ่งกูจะสู้กระสู้กรัมประถาหรือกูจะสู้กระซั่มกระดาการยังกูสนคือความฉลาด ในทางที่ชอบให้ถึงพร้อมหนึ่งสกิตรปรโยรัปปานังการทากิจให้ปร่งใสรหรือบริสุทธิ์น่มีหลักใหญ่ของาศาสนาเอตังมุธานศาสนาาังนี้เหล่านี้เป็นคาสอนของพระพุทธเจ้าทั้งปวงหรือทั้งหลายนี่หลักใหญ่ของาศาสนาท่านสอนเป็นแบบเดียวกันทวกิเลสหรือสัตว์โลก เป็นชนิดเดียวกันมีความทุกข์ความลหมากมีกิเลสตัณหาเป็นเครื่องผูกพันเป็นเครื่องร้อยรัดภายในจิตใจให้เกิดความเดือดร้อนมุ่นมายเช่นเดียวกันหมการสั่งสอนธรรมจึงต้องอาศัยเรื่องของสัตว์โลกเป็นต้นเหตุที่จะสั่งสอนอย่างไรถึงจะถูกต้องนี่เวลานี้เราทุกคนถ้าหากว่าไม่มีหลักจิตใจ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 จิตใจนั้นเรียกว่าประกันตัวได้เพราะความดีเป็นเครื่องประกันเราจึงสร้างความแน่นอนไว้ในจิตเสียตั้งแต่บัดนี้จะให้เสียเวล่ำเวลาที่เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งคนทั้งชาติได้ล่วงเลยมาเป็นเวลาหลายปีหลายเดือนโดยไม่ได้คิดอ่านแต่ตรองอะไรเลยในสาระสําคัญที่เป็นคุณสมบัติของจิตอันนั้นไม่สมควร สิ่งสมควรอย่างยิ่งก็คือเราพยายามทำเสียตั้งแต่บัดนี้ไม่มีใครที่จะพูดให้เป็นที่เชื่อถือและถูกต้องมั่นยาได้ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าคนพูดกันทั้งโลกมีความปลอมแฝงไปไเรื่อยส่วนมากพูดด้วยความสุ่มเดาไม่ค่อยไม่ได้พูดด้วยความจริงจังออกมา เพราะตามคนต่างไม่รู้จริงเห็จริงจะาความจริงมาพูดอย่างอาถานได้อย่างไรส่วนพระพุทธเจ้าในธรรมทุกบททุกบาทที่ประทานวันนี้ล้วนแล้วตั้งแต่ทรงทราบโดยเหตุโดยผลไปจากพระทัยแล้วเพงได้ น, นํามาสั่งสอนสัรวโลกคําสั่งสอนนั้นจึงเป็นที่แน่ใจได้ผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระ องศ์สอนไว้จึงเป็นผู้แน่ใจในตนเองไปเรื่อยๆจนกระทั่งแน่ใจที่สุดหาที่สงสัยไม่ได้เลยเมื่อถึงขั้นแน่ใจแล้วเป็นอย่างนั้นนี่แหลความดีเป็นที่แน่ใจได้อย่างนี้สําหรับผู้ปฏิบัติบําเพ็ญเพราะว่าคำํำสอนจึงเป็นที่แน่ใจสําหรับโลกทั่วๆไปถ้าไม่มีมารเข้าบดบันนานใจ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 แต่ถ้ลายลายมีความทุกข์ประจักษ์ตนเองเพราะอะไรจึงเป็นทุกข์ก็เพราะสาเหตุคืคอกรรมเมื่อโลกนี้ยังมีการทํากรรมอยู่ตราบใดไม่ว่าฝ่ายดีฝ่ายชั่วผลจะพุ่งแสดงให้เห็นอยู่เสมอว่าเป็นสุขเป็นทุกข์เรื่อยๆไปหากเราจะลบล้างกรรมเราก็ต้องลบล้างการกระทําของเราลบล้างบุญลบล้างบาปก็ลบลบ้างการกระทําของเรามีเท่านั้นเป็นที่ลบล้างอย่างอื่นไม่สําเร็จนี่คำานรก มันก็เป็นสถานที่อยู่ของสัตว์ผู้อยากช้าลามุสวรรค์เป็นสถานที่อยู่ของผู้มีความดีแน่เราก็เห็นอยู่แล้วเช่นอย่างเรือนจําเป็นสถานที่อยู่ของใครในโลกนี้ก็ยังมีเรือนจําเป็นสถานที่อยู่ของใครสถานที่ดีกว่านั้นก็มีเยอะอย่างที่เราเห็นนอกจากเรือนจําไปแล้วก็ดีๆกันไปทางนั้นไม่ได้ถูกกักขงังไม่ได้ถูกทําโทษทํากรรมอะไรไมันต้องบังคับบัญชาแบบนักโทษ เราก็เห็นกันอยู่มีเพียงโลกนี้เราก็เห็นทำไมโลกอื่นจะไม่มีเมื่อโลกนี้มีโลกอื่นก็มีวันนี้มีวันอื่นก็มีเนี่ยมันเป็นของคู่เคียงกันมาอย่างนี้แต่เราไม่สามารถที่จะมองเห็นที่จะมีเพียงไรก็าตามสายตาเราสรัาน้นเพียงแต่มองดูค ว, า, ว า, ามดูความดูหนามันก็นยังไม่เห็นยังไปเหยียบเอาจนได้หวัวต่อเดินเดินไปมันก็นยังไม่เห็นโดนเอาจนได้จนเท้าแตกเนี่ยไปดูสิ ขนาที่โดนขณะที่เหยียบเราก็ต้องเข้าใจว่าสิ่ง น, นั้นไม่มีแต่ความไม่มีนั้นลบล้างกันได้ไหมเวลาเดินไปเหยียบเอาเนี้ยน้ําปักรหรือไม่ปักมันก็ปักเพราะสิ่งนั้นมีอยู่ไปเหยียบถูมันก็ปักไปโดนหัวตอก็ถ้าถ้าแตกเป็นได้ทั้งจทิงว่าหัวต่อไม่มีนี่แหละเราคิดดูสายตาเรามันสั้นๆอย่างเนี้เพียงแต่มองดูหัวแม่เท้าของตนมันก็ยังไม่ทั่วถึงยังต้องดวนขวากโดนน้ํา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 เราจะเชื่อคนตาดีหรือเชื่อคนตาบอดเราจะเชื่อคนโง่หรือเชื่อคนฉลาดนี่สำคัญเราจะเชื่อคนมีธรรมหรือเชื่อคนจอมโกหกพระพุทธเจ้าเป็นคนจอมโกหกหรือเป็นจอมปา ะ, ะถ้าเชื่อคนตาบอดก็ต้องโดนไม้เรื่อยๆไปเพราะคนตาบอดจะไม่ได้เดินตามทางชนนั้นโดนนี่ไปเรื่อย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 หากกรรมดีก็พยุงส่งเสริมให้ไปในทางที่ดีเสนอเนี่ยพวกเกิดที่เกิดไม่รู้เรื่องรู้ราเกิดไม่มีความสามารถอ่านรูดด้วยยานเนี่ยนี่มันแบบเกิดดะดะไปเลยสุขจะมีทุกจะมีอะไรไม่ทราบว่ามันจะมีมาเมื่ อ, อไหร่แม้แต่มาเกิดนี่ก็ยังไม่ทราบว่า ม, มาจากพบอะไรที่ดูดิเราเป็นนักพบ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 หรือนอนใจอยู่กับสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่ถูกสมกับมนุษย์เป็นผู้ฉลาดรือไม่สมเหตุสมผลกันแต่เพราะอย่างยิ่งการผิดความดีความจเจริญฉลาดขึ้นภายในใจด้วยกิจตะภาวนานี่เป็นสิ่งสำคัญมากอาจมองเห็นได้ค า, บาว่าบาปบุญนรกสวรรค์นิพพาน อาจมองเห็นได้ด้วยจิตตะพอนาของเรามากน้อยต่างกันเท่านั้นบุญที่ไหนมันก็ทราบทราบวิธีจิตที่มีความเย็นสบายมีความรุ่มร้อนเกิดมาเมื่อไหร่เพราะสาเหตุอันใดก็ทราบนั่นเนี่ยทราบบุญทราบบาสนารกสวรรค์ก็ทราบทราบทั้งอยู่ภายใน จ, ใจิตใจทราบทั้งที่จะไปข้างหน้าก็ผู้นี้เป็นผู้พาไปไปสู่สถานที่ใดเนี่ยคนชั่วมันก็ไปเข้าเรือนจำอะไ ร, รนี่ย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 แต่เราไม่ได้อบรมตั้งสอน จ, จิตจึงเป็นเรื่องอาภาพัพเยืนจิตอาภาัพอยู่ตลอดเวลาเยืนเดินนั่งนอนอาภาัพทั้งนั้นเพราะสิ่งอาภาัพมันปกติกำบงังมันเนียมน่าเหนือกว่าจิตก็เลยกลายเป็นของอาภาัพไปตามๆกันต้องอบรมสติปัญญาในจิตมีความสงบร่มเย็นเพียงสงบภายในใจเราก็เห็นคุณค่าของใจ สงบมากก็เห็นมากรู้มากเข้าใจมากแล้วผิดทางปัญญาพิจารณาดูในโลกกระถาตอันนี้มันไม่มีอะไรที่จะควรเพื่อเพิ่อนรุ่นเริงอะไรไปนักหนาเดินไปไญ น, นก็มีแต่ปาช้าของจัดทั้งเขาทั้งเราเต็มไปด้วยนิจังทุกข์ของนาตาเข้าในบ้านก็ได้ยินบน่นออกนอกบ้านก็ยื่บนเข้าเมืองก็ได้ยินบน่น เจอไปทุกแห่งทุกหนเรื่องความทุกข์ความทรมานของสัตว์ของคนมีอยู่ทุกแห่ง ท, ทุกแห่งทุกหตนตําบลหมู่บ้านเราจะสงสัยที่ไหนมีความสุขความสบายไม่ต้องมีอะไรมาก่อกวนบุ่นวาให้รับความทุกข์ความลาบากนอกจากเราสร้างจิตใจของเราให้มีความแน่นหนามัม่นคงขึ้นด้วยศีลด้วยธรรมเท่านั้นเนี่เป็นที่ปลอดภัยไร้ทุกอยู่ที่ไหนก็ไม่มีอะไรมากวนอันนี้เป็นจุดสําคัญมากเมื่อสร้างอันนี้ให้เต็มภูมิแล้ว มันก็เย็นคิดว่าสถานที่นั่นเป็นยังไงสถานที่นี่เป็นยังไงเพราะความเย็นอยู่กับเจ้าของความตู่อยู่กับเจ้าของหลักหลักใหญ่อยู่กับเจ้าของแล้วก็ศาสาร์าจะไปหาตะคุบเงาที่ไหนกันตัวจริงมันอยู่กับเราเรารู้อยู่เห็นอยู่ครองอยู่ด้วยแล้วเราจะไปตะคุบเงาหาอะไรนี่แหละธนวการสร้างตัวทางด้านธรรมะสร้างตัวอย่างนี้สร้างตัวทั้งโลกกับดังที่เรา รับทราบกันอยู่แล้วสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยการฝนไข่ในหนัที่การงานทามาหาเรื่องขี้ใมีทรัพย์มัตเงินทองเรียกว่าสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะสร้างภานก็คือสร้างจิตใจของเราให้มีหลักมีฐานมั่นคงให้รู้สิ่งดีสิ่งชั่วพยายามแก้ไขดัดแปลงกันไปโดยสม่ำเสมอจนกระทั่งจิตมีความเชื่อถือตัวเองได้มีความแน่ใจได้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 มันว่าเป็นประตามบุญตามกรรมตามมากวาสนามองเห็นกันไม่ได้นี่อยู่อย่างลึกล้บภายในจิตใจใพยายามสร้างตัวให้ดีสร้างให้มีความแน่นหนามัน่นคงเอาให้เห็นประจกักษ์ธรรมบุธเจ้ า, าสอนให้รู้ให้เห็นประจักษ์ในสิ่งที่มีอยู่รู้อยู่แก้สิ่งที่มีอยู่รู้อยู่อันไม่ดีนี้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 เพราะปราศจากสิ่งก่อควรในเวลานั้นจะมีความสุขเบาไปหมดทั้งใจเนี่ยาบ า, ามากๆจนไม่ปรากฏว่า ก, กายมีในความรู้สึกเลยเหลือแต่ความรู้ลว้ลวนเหมือนอยู่อวกาศหรือเหมือนอยู่อากาศกลางหาวไปอย่างนั้นนั่นแหละจิตสบายจิตปล่อยวางทั้งหมดในขณะนั้นนี่คือสงบเต็มที่เป็นอย่างไไม่ทราบว่าตนอยู่ที่สูงที่ต่ำและอยู่ในที่เช่นไร นั่งอยู่หรือนอนดยูไม่สนใจทั้งนั้นปรากฏแต่ความรู้ล้วนๆซึ่งไม่มีรูปไม่มีลักษณะอะไรปรากฏเลยเป็นแต่ความรู้ล้วนๆถ้าหากว่าจะพูดลักษณะก็มีแต่ความสว่างสวายตากฏอยู่ภายในตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ผิดกับสิ่งทั้งหลายที่เคยผ่านมาในโลกนี่มีความสงบมากความสว่างความสุขมากอย่างนี้จิต ด, ดวงนี้แหละ ดวงมืดมืดดำดำที่เราตำหนิอยู่ทุกวันนี้แหละขพราความมืดดำนั้นไม่ใช่จิตมันสิ่งปิดบังต่างหากเหมือนอย่างไฟฟ้าแล้วเนี่ยเราเอาแก้วครอบดำดำมาใส่พี่มันก็ดำเอาแดงมาใส่ก็แดงเอาขาวใส่มันก็ขาวเนี่ยไฟมันเป็นไฟอยู่อย่างนั้นแหละจิตก็เป็นจิตอยู่อย่างนั้น แต่เมื่อสิ่งที่ดําสิ่งที่มัวหมองเขาไปแทรกไปปกบิดกําปิดกํัมบาอใจมันก็เหมือนว่ามันเศร้ามันหมองมันดำเปหมดความกิงก็คือสิ่งนั้นทาให้ดําชำระสิ่งนี้ออกแล้วจิตก็สว่างสบายออกมาจนกระทั่งถึงเต็มที่มันมีอะไรติดข้องในโลกธาตุผ่านทะลุไปหมดะอะไรจะแหลมผมนี้งกว่าใจเมื่อถึงขั้นเนื้อมนา่าเนี้ําน่าอย่างนั้น สาระสำคัญจึงมีอยู่ใจนี้เท่านั้นพยายามบำรุงนี่แหละเชื่อที่จะไปเกิดพบหน้าก็คือใจตรงนี้พยายามสร้างให้ดีการแสดงธรรมก็เห็นมาสุ่มขวดเอาละอยกดเพียงเท่านี้